วันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งบางครั้งเรียกว่าภาวนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปทรงจาแนกแสดงออกเป็นสองฝ่ายคือสมถ ภ, ภาวนาและวิปัสนาภาวนาในฝ่ายของสมถ ภ, ภาวนานั้น มุ่งเน้นไปที่การทําความสงบจิตบางครั้งท่านเรียกว่าอารมณูปนิชานคือการตั้งสติเพ่งดูที่อารมณ์คาว่าอารมณ์ที่เพ่งดูนั้นก็หมายถึงสิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถต้องด้วยกาย และนำมาสึกนึกด้วยใจนั่นคือลักษณะของอารมณ์แต่ว่าอารมณ์ตั้งหกประการนั้นดีก็มีไม่ดีก็มีก็กลางกลางก็มีดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลตั้งสติระลึกดูอยู่ที่อารมณ์ซึ่งเป็นกุศลหรืออารมณ์ที่เป็นกลางๆง ดันั้นอารมณ์ในสมถกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้สี่สิบประการนั้นจึงเป็นเรื่องของอัพยกัตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆ ก, กับเรื่องของกุศลธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลแต่ในการปฏิบัติบางขั้นตอนเช่นในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พระเจ้าทรงสอนให้บุคคลตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ธรรมะซึ่งธรรมะเหล่านั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้และอาจจะเป็นกลางกลางก็ได้แต่ว่าการตั้งสติระลึกดูอยู่นั้นไม่เฉมุ่งไปที่ให้เกิดความสงบเพราะเพ่งดูที่อกุศลเดียวนั้นแต่ทรงสอนให้ตั้งรติระลึกดูอยู่ว่า ในขณะนั้นนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นไปในจิตใจหรือไม่ถ้ า, าว่าประจักษ์ชัดแก่ใจว่าในขณะนั้นนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นก็ทรงสอนให้ระลึกรู้ว่านิวร น, นั้นไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอไปราะการเกิดขึ้นของนิวรจะต้องมีเหตุ แล้วก็ศึกษาสืบสาวไปถึงต้นเหตุของนิวรณในแต่ละข้อเมื่อรู้ถึงต้นเหตุแล้วก็ศึกษาวิธีที่จะดับนิวรณในแต่ละข้อและเมื่อดับไปแล้วก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไงนิวรณนที่ดับไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นได้อีก การบริบัในลักษณะนี้บุคคลจะต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกดูที่จิตของตนอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกิเลสประเภทต่างๆนั้นบางครั้งมีลักษณะละเมิดละไมห า, ากว่าบุคคลขาดสติสัมปชัญญะหรือกำลังสติสัมปชัญญะมีไม่มากพอกว่า จ, จะลึกรู้ไม่ทัน หรือไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นคือนิวรณในแต่ละข้อเป็นต้นเฉพาะในที่นี้จะยกตัวอย่างการมาฉันนิวรณ์ซึ่งเป็นค่าศึกโดยตรงต่อความสงตบตราบใดที่จิตใจของบุคคลยังมีความรู้สึกใคร่ปรารถนาพอใจต้องการแม้แต่ต้องการความสงบ แม้จะ ต, ต้องการเห็นนิมิตต้องการสัพพตปีติต้องการบรรลุมรรคผลเป็นต้นสภาพจิตในลักษณะนั้นก็คงเป็นการไม่ฉันดีวอร์ตอย่างเด็ดแสดงว่าจิตได้แล่นเลยอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะอนั้นเช่นผู้ปฏิบัติเจรานานาปานสติกรรมฐานซึ่งต้องตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลม หรือจุดที่ลงกระทบหรือภาวนาพุโทโธหรือกำหนดจุดระลึกไว้เป็นสามฐานได้แก่ดุคือปากเบื้องบนกลังหัดไทยแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาหรือแม้แต่จะใช้พิธีหนับหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในขณะนั้นก็คือการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่อารมณ์ จึงตนกันบหนดลึกนั่นเองใจต่างหากก็ใจแล่นไปสู่ความปรารถนาแม้แต่จะเป็นกุศลก็ตามความต้องการความปรารถนาเหล่านั้นก็คงเป็นกรรมฉันนั่นเองเพราะนกิเลสประเภทกรรมฉันจึงเป็นปฏิปักษ์คือเป็นข้าศึกต่อสมาธิตราบใดที่จิตยังแล่นไปอยู่ จักนั้นสมาธิก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่ยามใดที่สมาธิบังเกิดขึ้น่ากนั้นแสดงว่าจิตได้หยุดวิ่งหยุดสายไปในอารมณ์ที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจดังนั้นถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติระลึกรู้ว่าในขณะนั้นจิตของตนประกอบด้วยการมั่นันติวอน รู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นว่าจิตประกอบด้วยกายมาชัน น, นิก่อนแต่กายมาชันนิวรณนี้เป็นโทษเป็นค่าศึกต่อความสุขจะเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นมิตรจะเกิดขึ้นเพื่อความเป็นเสตรตต่อสมาธิผู้มุ่งปฏิบัติสมาธิจึงต้องพยายามขาจัดความรู้สึกที่ เป็นการมชันนิวรณ์ออกไปถ้าหว่าปฏิบัติตามโครงสร้างของนิวรณะปปะที่กล่าวนั้นก็จะต้องสืบสาวไปถึงต้นเหตุให้เกิดกามชันนิวรณ์เมื่อสืบสาวไปถึงต้นเหตุบุคคลก็จะพบว่ากามชันทนิวรณ์นั้นเกิดขึ้นจากสุภนิมิตหรือสุภสัญญา คืยการที่ใจของบุคคลไปกําหนดหมายสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัด้วยความใครียดด้วยความปรารถนาด้วยความพอใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผันั้นโดยสภาพงแก่แล้วไม่ใช่จกัก มีอิทธิพลสร้างความรู้สึกใค ร, ร่ปรารถนาพอใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลได้ทุกๆคนไปแต่บุคคลใดก็ตามที่ไปเกิดกําหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องการมาฉันนิวรณก็เกิดขึ้นไปในจิตของบุคคลผู้นัน้นซึ่งข้อ น, นี้บุคคลสามารถวิเคราะห์จิตของตนได้ด้วยตนเองว่า มีอารมณ์เป็นนั้นมากเช่นรูปเป็นต้นเป็นที่คลายปรารถนาพอใจของบุคคลเป็นนั้นมากบางครั้งจนถึงยื้อแย้งต่อสู้ปราศรางการเพื่อได้มาซึ่งรูปเหล่านั้นแต่บางขณะเราเองรู้สึกเฉยๆไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่อาจจะสลดใจในพฤติกรรมของบุคคลดอกนั้นได้ส้ำไป เช่นยามใดที่ยามที่เราเห็นเด็กแย่งตุ๊กตากันจนร้องให้เสียอกเสียใจประตุ๊กตาหายไ ป, ป้างปตุ๊กตาแตกหักปังในขณะนั้นความคิดที่จะร้องให้ที่จะเสียใจที่จะยื้อแย่งไม่เกิดขึ้นไปใ น, ในใจิตใจเราท่า น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจเราได้เลยตุ๊กตาไปแล้วใจไม่ได้กําหนดหมายว่าตุ๊กตาด้านหน้าใครน่าปรารถนาหน้ า, นนนาพอใจ แต่นั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลภัพฑไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีของบุคคลเป็นสากลแต่มันเกิดขึ้นจากการกำหนดด้วยความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นของบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะกลายเป็นกรารมาชั้นขึ้นไม่ได้นี่แสดงว่า กา ร, รมฉันเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ในปัจจุบันเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายในขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือกรรมามาธาตุเชื้อของความใคร่ที่มีอยู่ในภายในใจของบุคคลโดยสายการเก็บการสังสมไว้ในอนดีตชาติปาง ในดิติการใกล้ๆบ้างใกลๆบ้างมันก็กลายเป็นเชื้ออยู่ภายในใจคนเมื่อคนมีเชื้อคือกามไม่ทัดแม้จะไม่มีอารมณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายข้องตนแต่ว่าใจซึ่งเก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้ก็จะนําอารมณ์เหล่านั้นมากําหนดหมายด้วยอำนาจความความใคร่ความ เรียกว่าการมาสัญญาเมื่อมีการกำหนดหมายในรัษดะนั้นการตรึกนึกถึงสิ่งนั้นในแง่ที่น่าใครหน่าปรารถนาน้าพอใจก็เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องจากนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่เรียกว่ากามาชันทะคือความกําหนัดเริ่มนาดความพอใจ ในรมที่จิตเป็นเหนี่ยวนึกขึ้น น, นั้นเมื่อมีการนาชันท่าก็จกนึกไปด้วยอำนาจของกาลนาชันมีความกำหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นจดนึกปล่อยเข้าใจก็ ร, าร่าเรอนแล้วก็สายไปในรมต่างๆบางครั้งแม้ในขณะปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้านเดีอารมณ์ข้างนอกไม่มีปัญหา แต่ใจเกิดเป็นเหนียดนึกถึงอารมณ์ที่ตนชอบเข้ากรรมสันก็เกิดขึ้นภายในใจหักจิตออกจากอารมณ์ที่ตนกำหนดเลยแทนที่ความสงบจะบังเกิดขึ้นก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปบางครั้งอาจจะลั่นไปได้ไกลๆถ้าล่นไปในลักษณะนี้แล้วโอกาสที่จะดึงกลับมาก็ยาก ดังนั้นพระพูุทธภาคยาวจึงสอนไว้ในช่วงต่อไปว่กากรมฉันนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยประการใดก็อยากรู้ถึงเหตุเกิดเท่านั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการมฉันนิวรณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยสุภาสัญญาหรือสุภาษิมิตจะเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกภายในอารมณ์ก็ตาม จากการกระทบทางประสาทสัมผัสในขณะนั้นก็ตางตัวการสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงก็คือสุภาพนิวิตหรือสุภาพสัญญาเพราะถ้าไม่กำหนดหมายในแนวนั้นการมาฉันกามาฉันธ น, นิวรก็ บ, บังเกิดขึ้นไม่ได้กอ น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตอนตสรุปใหม่ๆด้ทรงสวดดูพวก กิเลสทั้งหลายเหล่านี้โดยประยานทรงรู้ไปจักชัดตามความจริงว่าไม่ว่าจะเป็นการมาชั้นพยาบาทอะไรก็ตามตัวการสําคัญจริงๆมันเกิดขึ้นจากความดําฤทิของบุคคลจึงรับสั่งว่ากามคือความดําฤทินั้นความดําฤทิ์นั้นเป็นกามของบุคคล สังกับปราโคลบริษัท ส, สกาโมคือความดำริด้วยอำนาจความกำหนัดจึงเป็นการมของบุคคลซึ่งหมายความว่าถ้าใจไม่ดำริถึงด้วยความกำหนัดไม่ว่าอารมณ์จะผ่านมาทางประสาสัมผัสในขณะปัจจุบันหรือการเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่เก็บไว้ในอดีตก็ตา ที่จะไม่เกิดขึ้นกรารมัาฉานซึ่งเป็นนิวรณก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ได้หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสกรรมดับจึงรับสั่งว่าดูก่อนกรารบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคือความตรึกนึกนี่เอง ต่ไปเราจะไม่ดําฤิ์ทั้งเจ้าได้อีกอีกแล้วซึ่งหมายความว่าจะมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกก็ตางแม้จะมีการกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ตามความกําหนัดคือการมาฉันจะไม่เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าเกวนความตึกนึกภายในนั้นมีไม่ได้อยู่แล้วเพราะกิเลสเป็นเอ้ตึกนึกไม่มีแต่การกระตุ้นจากภายนอกก็คงมี เพียงแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุไปกำหนดหมายว่าหน้าใค ร, น า, รานาบราตนาหน้าพอใจแต่นั้นเองก็นี้มันสังเกตว่าบางครั้งภาพสวยงามยั่วยวนอย่างรุนแรงเป็นการยั่วยวนของนางตนานางราคาดังอรตีราาราาตอนสัสรุ้ใหม่ๆในขณะพระชนมายุเพียงสามสิบปีไม่กี่วันนั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มชะกัน แต่พระกิเลสเป็นเหตุได้กำหนดหมายว่าหน้าใครนะั้ปรารถนาหน้าพอใจไม่มีพระองค์ก็ประทับดูการไร้รำของพวกเหล่านั้นอย่างวางเฉยจนถึงกระนางตานานาราคาในที่ไปบนว่า่าว่าเป็นผู้ชายอื่นถูกพวกนางยั่วยวนด้วยวิธีนี้ไม่มีการตอบสนองแล้วจะต้อง หัวใจแหลกสลายไปได้คือตายไปได้จึงรู้สึกทึ่งอัศจรรย์นในพระพุทธเจ้าและประยะมานผู้เป็นบิดาของ น, งนานงตานานาราคานันตีก็ได้กล่าวว่าพวกโทนั้นเป็นเหมือนกับเอาก้านบัวไปตีภูเขาภูเขาก็คงเป็นอย่างนั้นเอง แต่การบววนั้นจะหักไปก้านแล้วก้านเล่าก้านแล้วก้นเล่าโดยไม่สามารถประทุษร้ายอะไรต่อภูเขาได้เพราะอารมณ์ที่ผ่านมาภายในจิตใจของพระริเจ้ามีพระพุทธเจ้าปเป็นตนนั้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแน่นอนขั้นตอนของการปฏิบัติสําหรับสามัญชนทั่วไปนั้น การจะสัมผัสผลในลักษณะนั้นเป็นเรื่องยากแต่เราก็สามารถลดละบรรเทาผ่อนคลายความกับหนัดในอรมต่างๆลงไปได้ข้อนี้พระผู้มีพระกยายทรงสดแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉันนิพนธ์เป็นเหตุหรือจากการกำหนดหมายอารมณ์ว่าน่าใคราน่าปรารถนาหน้าพอใจเป็นเหตุ มีลักษณะเป็นกระบวนการแล้วก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นภายในจิตของบุคคลโดยดังดัเช่นทรงแสดงไว้ในยะหนึ่งว่าเมื่อบุคคลมีปกติมองเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าสวยงามการระมัดการระมัดระวังอินทรีย์คือตาขูดจมูกลิงกายใจของตนก็เกิดขึ้นไม่ได้ ตาจะต้องสายไปดูรูปสวยๆหูจะต้องสายไปฟังเสียงที่ไพเราะจมูกจะต้องสายไปสแสวงหากลิ่นที่หอมๆลิ้นก็จะสายไปหาอาหารที่อร่อยรสชาติต่างๆที่อร่อยกายก็จะ ข, ขว่ำคว้าปรารถนาสิ่งที่น่าสัมผัสน่าจับต้องน่ารูครบคลำแล้วก็เร่งปริมาณของกิเลสประเภทนี้ให้สูงขึ้นภายในจิตใจ และในที่สุดความตะกระาตะกรามความระโมบในอาหารก็จะบังเกิดขึ้นสงสัยคำว่าจะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคพัตอาหารพระเจ้ากำหนดว่าอร่อยน่ารับประทานน่ากินไปทั้งหมดทีนี้พอรับประทานอาหารไปแล้วเรื่องก็อาหารนั้นเป็น ปัจจัยสนับสนุนความสงบก็ได้ถ้าอาหารสัพพายาเกลื อ, อาหารให้ความสะดวกสบายแต่จะเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติก็ได้ถ้าอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในกรณีที่อาหารมากเกินไปเพราะความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในภัตตาหารนั่นเองแทนที่จะเป็นลดการมีสันก็กลับจะเป็นเพิ่ม นิวรณ์ข้ออื่นขึ้นมาก้อนนี้เป็นเพราะไรพระต า, ากรับประทานอาหารมากไปร่างกายก็จะอืดจะกลายเป็นการเมาพัฒนาหารใจก็จะน้มน้อมเข้าหาความง่วงงุนซึ่งเป็นอาการของทีน้มิตาทีนี้เมื่ออาหารเหล่านั้นได้ถูกย่อยไป ร่างกายได้ซึมซับอาหารเหล่านั้นเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็จะเกิดพลังเกิดเรี่ยวแรงมากระตุ้นกมามราคะขึ้นภายในร่างกายภายในจิตใจของบุคคลในสุดกามฉันก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเพิ่มนิวรณ์ขึ้นอีกสองข้อหรือเพิ่มความรุนแรงของนิวรณ์ขึ้นมาทั้งสอง ทนี้ถ้าอาหารน้อยเกินไปจิตใจของบุคคลก็จะไม่สงบจะฟุง้งซ่านจะซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆและในที่สุดเมื่อทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ก็จะเกิดหดงุดหงิดคือกุกุจักแสดงว่าอาหารน้อยก็เริ่มที่กุกุฏจักกุกุจักกุฏจักกุฏจักคือความฟุง้งซ่านก่อนต่อไปก็จะกลายเป็นกุกุจัก ทีนี้ปกกุกุจนั้นเป็นโทสะเจตสิกเช่นเดียวกันคือเป็นกิเลสประเภทโกรธเช่นเดียวกันพอปริมาณแค่มากข้ามมันก็กลายเป็นพยาบาทพยาบาทในวรก็ฟูขึ้นภายในใ จ, จิตใจของบุคคลเมื่อเป็นเช่นนี้ความเพียรพยายามแม่แว่าจะเพราะอาหารมากหรือเพราะอาหารน้อยก็ตามจะหย่อนหมดและกรณีที่อาหารน้อย ใจฟุ้งซ่าน ง, งุดหงิด ถ, ถึงถึงอาคาตพยาบาทความเพียรพยายามก็หย่อนด้วยใจไปตกอยู่ภายใต้อนานาจของถีนิมิตธาตุหรือกรรมฉันน์ความเพียรก็หย่อดเรื่องการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสนั้นถ้าความเพียรหย่อนไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะว่า กระแสของกิเลสนั้นจะพัดผันบุคคลไปสู่หน้าของตนการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจึงเหมือนกับการว่ายน้ำทวนกระแสกำลับบงกายกำลับบงใจจะต้องกรากแข็งจริงๆความเพี่ยนพยายามจะต้องตอดเนื่องยากนานทุ่มเทลงไปในเรื่องตรนี้จึงจะว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปได้ แต่เมื่อเทียบเคียงกับการปฏิบัติทางจิตแล้วการว่ายน้ำทวนกระแสกลับง่ายกว่าการใช้ใจจิตของตนทวนกระแสของกิเลสเพราะกระแสของกิเลสแกจะปะทะจิตในรูปแบบที่หลากหลายจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นกิเลสดยสักไป จนถ้าหากว่าเดินมาถึงความเปลี่ยนที่ย่อจอนตามปกติคนเราทะนุถนอมตัวเองเชิดชูตัวเองมีความวารู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองดีอยู่เสมอดังนั้นบุคคลตัวนี้จะปลุกปลอบตัวเองหลอกตัวเองด้วยถ้อยคาที่อ่อนหวานคือความคิดเข้าข้างตัวเอง จะบอกไม่เป็นไรค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนพัก่อยก่อนปฏิบัติขนาดนี้ก็พอแล้ววันนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทํางานเหนื่อยมาทั้งวันนอนไปก่อนค่อยปฏิบัติตอนหรุ่งพอถึงหัวรุ่งแกกุศลซิบไปสักนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยพรุ่งนี้มีงานมากเืินลุกขึ้นนั่งปฏิบัติกรรมฐานในช่วงนี้คงทำทำงานไม่ได้ไปง่วงในที่ทํางานอายเพื่อนเขาผู้บังคับบรรจายา ทำนิเอาทำไปทำมาก็ไม่ต้องปฏิบัติกันเพราะว่าพวกกิเลสนั้นบางครั้งเข้ามาในรูปมิตรเป็นตัญหากระซิบใจแต่ไม่ใช่กระซิบในลักษณะทำลายล้างแกจะกระซิบในลักษณะคล้ายๆเกี่ยเอื้ออาทรห่วงใย ต่อสุขภาพพลานาไมยของเราถ้าเราหลงเล่ของกิเลสในสุดก็จะถูกกิเลสตรงนั้นสยบไปที่ทรงใช้ันว่ามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยไม่ยังรากลึกลงไปในคุณของปรรณากริ่จตใจที่อ่อนไหวไปในลักษณะนี้ มันก็จะเป็นเหมือนต้นไาที่เกิดขึ้นริมเขากระดลงกระโชคมาไม่นมากนักก็หักโค้นลงไปได้ดังนั้นจะต้องมองให้เห็นโทษของตาม่ชันประจักแจ้งแก่ใจว่าถ้าเริ่มเสียศูนย์ทรงที่ไปกำหนดว่าน่าใคร้น่าปรารถนาหน้าพอใจแล้วต่อไปจะถูกบังคับใช้ ให้ไปดูไปฟังไปสุดดมไปลิ้มไปจับต้องล้วในสุดจะตามใจตัวเองในเรื่องการรับประทานอาหารการลิ้มการชิมจากนั้นความขี้เกียจก็จะเข้าครอบครองโดยให้เหตุผลเบ็ดเสร็จไว้ถึงต่าหากว่าเราคล้อยตามไปตามใจเราก็จะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆไม่มีลักษณะคล้ายๆกับร่างกายที่โรค ปุบโรคเบียดเบียนซ้าซ้อน้นเราสังเกตว่ามันเกิดขึ้นมาจากการเสียสูรในตอนตอน้นเพราะไปกำหนดในลักษณะวิปลาสคือไม่ยุติโดยเหตุผลในความดีตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงนั้นชีวิตร่างกายของบุค ไม่มีอะไรเป็นความเป็นของสวยงามเป็นของปฏิคุณน่าเกลียดโดยสีโดยสันธานโดยสิ่งโดยที่เกิดโดยที่อยู่เป็นต้นแต่เมื่อเราไปกำหนดตรงกงันข้ามกับความจริงแล้องออกนอกทางไปเรื่อยๆขาดการสารวมระวังอินทรีย์มีความเพียนย่อจอดไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเราต้อง ล, ลงว่าใจทุกคนลภาพลงไปโดยดักดันแล้วก็ อ, อ่านแอร์ง ก, กิเลสบังคับใช้สั่งการชี้นิ้วให้ทำอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ได้การปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องรู้ทันต่ออารมณ์โดยเฉพาะกลุ่มของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็สืบสอบไปถึงเหตุที่มาแล้วก็ตัดกระแสเสียคือตัดต้นเหตุเสียทีนี้ตัดแล้วทำอย่างไงจึงจะไม่เกิดขึ้ น, นอีก แน่นอนการจะไม่เกิดขึ้นในอีกนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะการมาชันจะต้องอาศัยอนาคามิมรรคเป็นตัวตัดจริงๆนั้นการปฏิบัติในชั้นชีวิตประจําวันก็พยายามไม่ใส่ใจใสิบ้า๊บหรือพยายามหลีกหนีอารมณ์เหล่านั้นสิบปังพยายามสงบใจไม่คิดถึงสิบปังพยายามเจริญสมถะกรรมฐานบ้าง เมื่อทำบ่อยๆทำอยู่ ส, สม่าเสมออย่างน้อยก็จะไม่ถูกยางเหนียวคือกามคุณไปดึงเอาไว้ไปชุดเอาไว้ความอิสระภายในใจก็จะบังเกิดขึ้นได้ตามสมควรแต่การจ ะ, ร, ะรู้เท่าทันและแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตได้นั้นสติสมัมปชัญญะความเพียนจะต้องมีกำลังมากพอสมควร ธาธรรมะทั้งสามประการนี้มีกำลังมากพอแล้วบุคคลจะได้สัมผัสผลที่เป็นความสุขความสงบจากอำนาจของนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งในโอกาส น, น, นั้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบตื่นต่อ